บริหารขันธาตุอายตนะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาบริหารขันธาตุอายตนะที่ปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยเสื่อเนื่องไปตนนั้งแต่เกิดไปจนถึงตายเมื่อมีการพิจารณาอย่างรอบรู้เข้าใจท่วนทีอย่างนี้แล้วกุลบุตรผู้ไขประโยชน์คําว่าประโยชน์ตัวนี้ประโยชน์อะไรประโยชน์คืออรหัตผลเห็นไผู้ที่ต้องการอรหัตผลเมื่อบวชในาศาสนาอย่างนี้แล้วก็อยู่รวมกันบาง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 หมายว่าเจริญสมถาวิปัสสนาในขณะนั้นได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยเวลาไหนบางที่เจริญสมถาวิปัสสนาไม่ได้ต้องไว้เป็นไปกับสมถะและวิปัสสนาอย่างยืดยาวกุลบุตรเหล่านั้นกระทํากติกาวัดอย่างนี้แล้วก็ไปบินทบาทพิกขาจารย์ในระหว่างทางที่ห่างกันเกล่อนอุสภะ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 สมถาวิปัสนาเป็นสมุทฐานแห่งการขยับตัวทุกขณะเลยถ้ายกขึ้นสมมติขณะใดที่ปราศจากกรรมฐานไม่มีจิตที่เป็นสมุติคือกรรมฐานเป็นสมุทฐานกลับไปสู่ที่เดิมจําได้ว่าเจริญกรรมฐานมาถึงไหนเหมือนพระมหาปุษตะเทวะเถระผู้อยู่ที่อลินทกะในเกาะลังกาฉะนั้นได้ยินว่าพระเถระรูปนี้บำเพะะ็ญขตปัจจารขะตะวัดอยู่อย่างนี้ถึง19ปี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 กระทำสมณธรรมคืออธิศีณาธิจิตอธิปัญญาด้วยจิตที่ประกอบกับกรรมาฐานเท่านั้นบนรรลุปเป็นพระอรหันต์ภายใน20ปีแค่20ปีเอ ง, เองนะของเรายี่สตั้งคูนกี่รอบแล้วนะอยู่ตั้งนานนะในวันที่ท่านบนรรลุปเป็นพระอรหรันต์เทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่สุดท้ายที่จงกรมของพระเถระยืนส่องประทีปด้วยนิ้วมือทั้งหลายโอ้เทวดานี่เอานิ้วมือมาส่องตัแสงให้เลยนะ ท้ามหาราชทั้ง 4, สี่ท้าวศักกะจอมเทวินสัมบดีพรมก็ไปสู่ที่บำรุงพระติสเถระผู้อยู่ในป่าเห็นแสงสว่างนั้นก็ถามพระเถระในวันที่สองว่าในส่วนราตีได้มีแสงสว่างในสำนักของท่านผู้มีอายุนั่นแสงสว่างอะไรพระเถระก็ทําเป็นไม่สนใจก็บอกว่าแสงนะ่นนะมันแสงอะไรก็ได้แสงไฟแสงสว่างแสงมณีแสงอะไรได้หมดแหละติสเะก็บอกว่าเรียนมาท่านปกปิดหรือบอกก็อันนะครกบ ไม่ปกปิดเราก็บอกนะเล่าให้ฟังว่าแสงของเทวดานะองค์หนึ่งที่ที่จงกรมอีกองค์หนึ่งเท้ามหาราชอีกกลมหนึ่งก็เท้ามหาพรมหมนะันในเวลาบรรลุเนี่ยมแม้แต่เทวดาก็ชื่นชมแม้แต่พรหมก็สรรเสริญยกย่องนอบน้อมบูชาพระอริยเจ้าเหล่านั้นหรือเหมือนพระมหานาคเทระผู้อยู่ในกาละวัลิมณดป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 ถือการเดินเป็นหลักเจ็ดปีบาเพ็ญขาตะปัจจาคตะวัดตลอดอีกสิบห ก, 20, 20, ป, ป, ก 22, 23. 23ปีก็บรบรลุเป็นพระอรหันต์ก็เท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบยี่บสองปีเท่าไหร่ยี่สิบสองปีก็ย2ิบสองหรือย3 23ิบสามยี่สิบสาปีก็บรรลุนะบรรลุเป็นพระอรหันต์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 ตัวกรรมฐานเนี่ยสมถะคือสติปัญญาคือวิปัสนาเจริญตัวสติสัมปชัญญะไม่ใช่เจริญรูปบางคนเนี่เจริญรูปต้องตามให้มันทันรูปทุกชนิดอันนั้นเขาเรียกว่าเจริญรูปแต่นี้เขาเจริญสติสัมปชัญญะเจริญสมะถะวิปัสนาเขาไม่ได้เจริญอารมณ์เพราะเขาไม่กลัวโอยมันขาดอารมณ์เดี๋ยวตามไม่ทันอารมณ์เนี่ยเมาเลยอันนั้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 เจริญความรู้เจริญความเข้าใจเจริญสติจัดสัมปชัญญะเจริญสมถะเจริญวิปัสสนาสมถะก็คือเห็นความเป็นอสุภะของธาตุสี่วิปัสสนาก็เห็นความไม่เที่ยงเป็นต้นของธาตุสี่ก็คือการตามเห็นธาตุสี่เหล่านี้โดยอสุภะโดยอนิจจังทุกขังและอนัตตาให้ครวรแบบไม่เลอะไม่เลือน ไ, ไม่เบลอไม่หลงไม่ลืมพิจารณาอย่างนี้เจริญความรู้ตัวนี้เรียกว่าเจริญสมถะวิปัสนาไม่ใช่เจริญตัวธาตุนะ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 พิจารณาโมแต่พิจารณาเท้าซ้ายเอา้ายกแขนอีกแล้วเนี่ยนะต้องวิ่งให้ตามทันแขนไหมโอ้ยถ้างั้นก็กรพริบตาเราไปกําหนดวิ่งให้มันทันทาน่าแล้วนั่นนะป่วยน่าจะเดือดร้อนแน่เขามาว่าถ้าเจริญเนี่ยนะเดือดร้อนจิตแพทย์อีกแล้วนะักศึกษาให้ดีเขาบอกว่ า, วาตอนหลังเนี่ยนะกลุ่มจิตแพทย์ก็บนๆนะว่าทําไมพวกเจริญกรรมฐานให้มันเดือดร้อนจริงๆเลยกวา ง, งันเอา ง, งั้นนะเข้ากรรมฐานเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนเรื่องยายอีกแล้ว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 มีอายุยืนนี่นะสุขีทีขายุโกภวะจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนเดี๋ยวโม่แต่พูดอย่างนั้นหัวก็โม่แต่ถามไทยคุยกันเป็นต้นเดี๋ยวว่าฟุ้งซ่านเองไม่คุยอ่ะทีนี้ถ้าเกิดชาวบ้านก็ถามมาท่านผู้เจริญวันนี้กี่ข่ำเจ็ดข่ํา8ดข่าก็จะบ้วนปากแล้วก็บอกถ้าไม่มีใครถามเวลาออกจากบ้านแล้วค่อยบ้วนปากพันอย่างเช่นภิกษุห้ารูห้ารูปผู้จําพรรษาในกะลัมพระติถวิหาร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 เข้าใจการเจริญสมถะวิปัสนาเข้าใจการบริหารกรรมฐานเนี่ยสบายอยู่แล้วทุกคนก็มีความรู้ดีอยู่แล้วเหลือแต่เจริญมากันก็ต่อไปก็เลยไม่พูดกันเมื่อเข้าบ้านบินทบาทก็จะอมน้ำที่ประตูบ้านแล้วก็เข้าไปเมื่อเขาถามถึงวันก็จะกลืนแล้วก็บอกเมื่อไม่มีใครถามถึงวันก็จะบ้วนที่ประตูบ้านแล้วก็กลับมาวัดมนุษย์ทั้งหลายในที่เหล่านั้นคือชาวบ้านเหล่านั้นเห็นสถานที่บ้วนบ้วนน้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 มหาปรวรณาก็เป็นผู้ปวารณาวิสุทธิปรวรณาเป็นผู้บริสุทธิ์ปวรณาการโดยความบริสุทธิ์นั่นเอิกษุพึงเป็นดุจมหาราชมหานาชเถระผู้อยู่ในกาละวันลิมมณดบเหมือนกับพระภิสูจน์ห้าสิบโรที่จําพรรษาอยู่กะลำพระติถวิหารอย่างนี้ท่านย่างเท้าด้วยจิตอันประกอบด้วยกรรมฐานเท่านั้นไม่มีขณะใหนที่ว่างจากกรรมฐาน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 หรือแม้กระทั่งว่าที่เขาเลี้ยงช้างเลี้ยงมา้าอะไรที่มันดูดูก็อย่าไ ป, ปไปเที่ยวบินทาบาตเนี่ยนะพ่ออะไรพ่อม้านี่มันรู้จักพระที่ไหนใช่ไหมช้างก็เหยียบพระเป็นนะเหมือนกันก็ต้องเลือกให้เป็นนะที่ไหนสมควรไป